<ullah> อารจัดการบริการของพาะมันเป็นยัไงครับพี่พ่มันเสียด้านเน้นวิทยาเด็กเยอะเยอะมีอะไรสองขึนใหม่าขึ้นหม่ไม่แต่เูินกว้างเลยเล็กขาวว่า แน่นเลยนัคุณอย่บ้าดีแล้วล่ะมีวัสาดุไี่ใกล้ะเป็นท้ามชี่สิบเป็นเก่าดีนะภาวนาเราก็ต้องทำพวกเราเองไม่ได้ยังครับครับสุดสัะ เราเล่นนมนี้ใครยังไม่มีบ้างเล่มนั้นแล้วเปลี่ยนไหมเปลี่ไม่ใช่ละสมไมูเดี๋ยวนี้ใครเปนไรู้สานักปิบัติเยอะมากสองสานักแหลแกแหลกมเยอะแต่ละสาํานักแต่ละคนนี่นะให้พูด พูดภาษาเดียวกันเลยเป็นมันจะีรู้พวดแบบเดียวกันจะทำเล่นๆกันถ้ามันจะมีแบบที่ถูกต้องแบบเนียวครับนี่คแบบ ม, มีสติก็คือมีการปฏิบัติการสติคือขาดการปฏิบัติแบบเนี้ยเอาไว้เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของคนที่เจริญต่างๆกัน ้องเล่นไปห่านั ต, ติปัะสานยังเก่าเก่าเราช่างอาอาลองไปดูน่ารู้นะทือธรรมะที่นึกไม่ถึงเนี้ยลกเป็นไงหลังผมเขะเน้นวามขี่ครับจะ่ม่รูว่าปลูกอปู่าคือเปล่าเขาที่เราไปกไ็ได้ขี่วันอยาดหนึ่งคือที่โรงงาบอกว่าการปฏิบัติก็คือมาสอบสใต้ในชีวิตประจำวันแล้รครับ ก็ก็เลยถ้าเกิดว่ามันเอ๊ะนี่เปิดแล้วไหมเปิดแล้วนะ้ำเป็นะบนบอลนะคบแต่พอไปจะติดอยู่ตรงนึงที่ว่าขเขาเปิดแล้วนะปุ๊บแล้วมันเหมือนกับว่ายังมีสัญญาของกันว่าเอ๊ะต้องทําอะไรอยู่บางอย่างนะครับอย่างนั้นคนระับก็เลยกังวลอยุ่ช่วง น, นึงว่าเอ๊ะต้องที้งอันนี้หรือเปล่าหรือว่ามีก็มีมันไปก็ก็เลยมีปารพักหนึ่งระดับเขาเปิดปรงเด็เนญญต้องไปตินตัว พิจิตรคนนี้ก็ตันทันพวกอันหารจริตรพวกทิรจฉ์จิตรัญหาจิตรรับสนุกลับสบายพวกทิจฉ์จิตรพวกนีพกก้พวกขับุกพวกติมากพวกปัญหารจริตนั้นก็ต้องไปเล่นเล่ายนะครับ <pir accessibility> นี่ของนั่นและปกรยันเดิน ก็เราคนเดินแต่ว่าพวกที่เป็นท่นั้นจะมีจะเล่นกายนี้ต้องเลืกตอนกายจะนเล่นได้ดีที่าุดเหมือนอย่างกันที่เราคนเดินเดินไปได้กระติกกรติกกดคอนให้จิมันอยู่ในอรมมันเดียวไปด้วย ก็เดินเราใส่เงินเป็นสัญญาแต่ก่อนครับที่พอ ม, มาอ่านทาทางนี้ป้างหน้าแล้วก็เจอผมก็ทำนองว่าเราจะสมาธิคือปกได้ข้ามส ม, มาธิเนี่ยไม่ดีเลยเองครัก็เลยประมาณว่าก็ออรู้ปเด็นชีวิตจงรักนี่แหละเลยอานเป็นเพราะอ่านที่เกียนศีล ส, สมาธิปัญญาสำคัญหมดแหละนะไม่สำคัญเพราะพระเช้าไม่สอนเครื่องมือในการเจริญสติมีสตัวคือสติและ ส, ส, สมยั ญ, ญ ตัวสติเนี่ยมันเกิดได้บ่อยถ้าเราแปรื้อรื้รู้อารมณ์ที่มันคนเคยอารมณ์ไหนที่เรา น, นิสมาลอารมณ์นั้นปรากฏสติก็ปรากฏ ด, ด้วยเพราะฉะนัานการที่เราจดจําสภาวะธรรมได้แม่นยําทําให้สติเกิดอย่างบางคนถึงด้วยไปใช้ยืนเดินนั่งนอนรู้ไปเรื่อยเอาจิติยาปวดสติมาเป็นอารมณ์ของสติ สติคุ้นเคยกงหลวงนี้วพอร่างกายไหวเพิ่หนึ่งก็ระรู้ได้มีสติขึ้นมาละหรือบองคนเน้นลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าหายใจทีเดียวจิตมันจดจาลงหายใจได้แน่นหยาพอหายใจซึกขึ้นมาก็รู้สึกตัวหลวงพ่อแต่ก่อนะฏิบัติดูชิตเราจิตไหววัดขึ้นมาก็รู้สัน เราลองจดจําสภาวะธรรมได้แม่นยิจิตมันจดจําสภาวะธรรมได้แม่นยำอาจจะไม่รู้จักชื่อก็ได้นะหมายถึงรู้สภาวะมีอะไรไหวขึ้นมาก็รู้ทันไหวขึ้นมาก็รู้ทันเหตุไตรให้เกิดสติคือการที่เราสามารถจดจําสภาวะได้แม่นยำพระพุทธเจ้าก็สอนตัวอย่างของอารมณ์ที่เราจะเอาสติไปรับรู้ สติปัฏฐานสี่พอเราลึกไปแั้สติก็เกิดเราลึกไปแั้สติเกิดเพงน mm hmm. สติปัฏฐานที่ทำไปเพื่อความมีสติสัมปชัญญ mm hmm. ะไม่ใช่ทำเพื่อสิส่งอ mm hmm. ทำไมต้องทำเพื่อสติสัมปชัญญะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. จิตของเราเนี่ยออกหนีไม่ทำงานตลอดเวลาเจ้าของไม่รู้จักรู้ไม่ผันแอบเป็ปรุงแต่งเมื่อมันแอบไปปรุงแต่งเลยเจ้าของรู้ไม่พันเนี่ยนั่ก็เลยสอน ให้มาหัดดูแต่งซะเองรู้แต่งสติขึ้นมาสติสัมไรชัญญะธรรมฐานปัตสนาสีธรรมทิญญานีิโรธแต่ความดูแต่งตั้งขึ้นแต่งขึ้นมาเป็นเชื่องอาศัยดีกว่าถ้าเราไม่แต่งสิ่งเหล่านี้ที่ดีๆขึ้นมาจิตเราก็คือแต่งสิ่งที่ไม่ดีหรือเจ้าของไม่รู้นั่นคืออะไรที่แต่งของมารู้ยืนเดินนั่งนอนรู้อะไรนี้ไป เมื่อก่อนเคยบอกบ่อยๆบอกมีคนมาบอกว่าถ้าป้าร้องน่าจะรู้สึกลวยใช่ไม่ได้สติหูนานปีนึงเถิดกี่ครั้ ง, งนี้ไม่เอาฮนะถ้าสังเกตให้ดีอารมณ์ในสติปตกต่างสีเลยเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็อารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาแล้วหายใจเข้ากับหายใจออกก็มีแค่ที้ยไม่มีหายใจขึ้นมุบนลงข้างล่างไปข้างใต้ข้างขวาไม่มีแนะ้วมีแต่หายใจเข้ากับหายใจออก เวทนาก็ามีสุขทุกข์เฉยๆก็ไม่มีเวทนาที่สี่แล้วนิวรณ์เป็นแต่นิวรณ์เกิดเป็นนิวรณ์ดับคลุมหมดนะเห็นแต่กิเลสเกิดเป็นกิเลสดับเห็นกุศลเกิดกุศลดับหรื อ, อยังจิตตามรือศาสนาเนี้ยเ้ารู้กุศลแก่หักุศลก็ซึมหมดเลยไม่มีช่องโหว่ช่องว่างอนะไรมั นั่นอารมณ์ของปฏิปัญฐาเรียงอนันต์พอที่จะปฏิบัติให้ถึงข้าระหรัเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอารมณ์เราปฏิบัติเพื่อเอาสติสมรเชิญญงยะนั้นราลึกรู้ไปนี่เหตุใกล้ให้เกิดสติในการจําอารมณ์นม้นแม่นจำสภาวะแม่นทออันนี้ไหวที่ไหนรู้สัน นี่สัมปชัญญะที่ขึ้นหนึ่งส่วนั่นเหมือนกับสติสัมปชัญญะเนี่ยตัวที่ทําให้สัมปชัญญะเกิดความรู้ตัวเกิดคือสัมมาสมาธินี่สัมมาสมาธินี่ยทําให้เกิดได้ทีสวิธีอันหนึ่งเราจะเริ่มด้วที่เขาเรียกว่าสมาธายานี้เอาฌานทาสมาธิก่อนแล้วถ้าเกิดความรู้ตัวตามลำดับทีหลัง อีกอันหนึ่งก็คือใช้สติะระลึกรู้ลงไปเลยรู้ความไม่ตั้งมั่นของจิตแล้วจิตจะกลับมาตั้งมั่นเดีย๋ยวพวกเราถ้าทําฌานไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจแค่คอยรู้ฌานความไม่ตั้งมั่นของจิตเราไม่ตั้งมั่นของจิตเปนยังไงจิตที่หลงไปไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปทางตารู้จักยังเ ก, กิดมานันาดแล้วเดี๋ยวไปดูเ้าเนี่ยใจไปอยู่ที่เขาแ ล, ล้วดูตัวเอง ไหลไปทางหูตังเสียงเสียงอะไรวะนกอะไรตังดื้อเฟืองไหลไปทางใจคือไปอยู่ในความคิดไหลไปทางใจนี่ไปได้เยอะนะหลายรูปแบบไปนั่งเชี่ยงเงาได้หลงทางใจเชงอารมณ์ข้างในไปคิดเอาไปน้อมไปเลอะเลอะเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องไม่รู้เรื่องนี่คือการหลงทางใจมีรูปแบบที่หลากหลาย บางคนไปหลงดูเห็นหน้าตรงใหม่ๆขึ้นมาแล้วเป็จ้องแล้วก็มันจะหนีลิเข้าไปเรื่อยๆล้วตามลิบลงไปเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าเจ็บคุณหลอกเข้างหน้าดูได้ละเล อ, อียดจังดูได้ลึกจังโอ้ไปโน่นแล้วแ ล, ว, ล ว, วแล้วถ้าจะลงอเวทีอแล้วดึงดึงเข้าไปธรรมะจริงๆมีความรู้สึกตัวไม <c oughs> ่มีข้างนอกข้างในหรอก ตั้นอกตั้งหนส่งไปแล้วส่งนอกส่งในที่หลวงปู่ดูลย์สอนเราอย่าส่งจิดออกนอกก็คือให้มีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นทันทีที่ใจตั้งมั่นนี่ส่งไปความรู้สึกตัวจะเกิดทําไม่ชั้นาจะเกิดทำไม่ชัญญนะ้นย่เกิดอะไรแปกปลอมเข้ามาสติเราได้รู้หมดกายไหวสติก็รู้ใจไหวสติก็รู้รู้รักษาแต่รู้ แต่ถ้าใจไม่ตั้งมั่นจะไม่สั่งแต่รู้รู้แล้วไหล ร, รู้แล้วอินเพราะในสมถะนี่มีสติอันเดียวเกาอารมณ์แล้วอินเข้าไปในอารมณ์เกาะอยู่ อ, อารมณ์เทียมสมบุกส่วนวิปัสสนาเนี่ยต้องมีสัมพัสัญญาต้องรู้ตัวว่ใจต้องตั้งมั่นนี่บางแห่งเขาชอบสอ น, นว่าสัมมาสมาธินี้กับตาจิตที่วิริยะตามอารมณ์ แอบบอกเอกัพตาคือเศริทุกดวงสันนรกก็มีเอกภพตาาังนั้นสันนรกก็มีปัญญาไม่ไหวคือสติให้อยู่โดดๆได้สํารับชัญญาต้องอิงกับสติเพราะสติมีเครื่องเหร์ดเลี้ยงทำให้ติดตั้งมั่น อย่างเรารู้ทันการที่จิตไหลในทางๆาหูจมูกลิ้นกายใจสติเราเริ่มรู้ทันพอสติรู้ทันการไหลขาดจิตก็ตั้งมั่นทำให้แสงยักษ์ก็เกิดนี่เวลาเราปฏิบัติในเบื้องต้นเรารู้อารมณ์เห็นหน้ารมเกิดดับเห็นแกลลัคเห็นอารมณ์เกิดดับถึงได้อะไรขึ้นมาเหมือนลดแรกเป็บบนหลุดที่จะให้จิตส่งออกนอกส่งนอกส่งในขั้นมา พอเราเห็นว่าอารมณ์ไร้สาระจิต ก, ก็ไม่ขยานเข้าไปนี้มันไม่ใช่มีแท่แรงสูงสของอารมณ์ไม่มีแรงตรักระหว่างจิตมันมีแดงสองแรงนะแรงหนึ่งมาร่อจิตไม่รู้ว่าสิ่งที่มาร่อในไร้สาระเป็นไตรลักษณ์โส ด, ดก็ไปก่อนตัวทีเทงก็เป็นฉลาดมีความทยานอยากเป็นเรื่องอะไรเป็นแรงตักว่มีความไม่รู้ไม่รู้แล้วมันปลุกแต่ง ตรงเวลาความไม่รู้มันมีอยู่จิตจะเริ่มแสวงหาอามนักปฏิบัติสังเกตให้ดีนะตรงนี้ละเอียดนักปฏิบัติเนี่ยพอคิดถึงการปฏิบัติฝึกใจเนี่ยถ้าพอรู้ตัวหรือเป็นาเลยไม่ถูกแต่งอะไรสักพักหนึ่งทนไม่ได้แล้วจะเกิดอะไรสักอย่างขึ้นให้เที่ยวแสวงหาอารมณ์สักคั้หนึ่งเอามาดูก็จะได้ปฏิบัติตรงนี้เป็นการหลอกที่ได้เห็นมาก าวิชาตาาูสังคานี่มาสังคานเปนตัวเจตนามีเจตนาที่ดีด้วย เ, เจตนาจะปฏิบัติธรรมก็เลยเอาวิญญาณนี้อย่างลนงไปจับอารมณของรูปของนามแล้วก็เลยเป็นต่อบ่อชาติเ้งธรนมะเรียนโอ้สั้งขวางคิด <c oughs> ว่าจับ อ, รอารมณ์ได้ไหมเรีรรทำถ้าทำไม่ถูกก็ยังหลัเลย จะกำหนดอารมณ์ผิดต้องรับรู้ทันแต่ว่าราับรู้จะทําได้เนี่ยต้องมีสัมผัสเช่นนี้ไม่เป็นหลอดเลีเ้ยวขึ้นกันแล้วสติเนี่ยถ้ารู้ทันกว่ามไม่ตั้งมั่นจิตก็ตั้งมัม่นเดชสมาสมาธิทันทีที่จิตตั้งมัม่นอยู่เดชมาสมาธิความรู้ตัวก็เกิดขึ้นมามีเป็นหลอดเลีเ้ยวขึ้นกันนี่พราะความรู้ตัวเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรแจกต่อมันสติรับรู้ แต่ถ้าเราไรู้โดยใจที่รู้ตัวตั้งมั่งมันจะสัตวจะว่ารู้เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหรเกิดสัมมาสมาธิกับสัมพัชญะขึ้นมาคำว่าสัตวว่ารู้ถึงเกิดขึ้นได้ถ้าไม่นั้จะไม่สักว่าจะกำหนดรู้สติจะที่โครงลงไปเลยเพราะใจไม่ตั้งมั่งนี่มันเลยกายเปสมถะสัมมาสมาธินี่มีสองวิธี่ย วีธีหนึ่งจ ใ, ใช้สมรรถะอย่างนี้ก็ได้จะ ใ, ใช้แบบของผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆก็ได้แต่ถ้าเจริญวิปัสสนาล้วนเนี่ยเราใช้สติเป็่องหนึ่งสร้างสมาธิสติคอยะระลึกรู้จิตที่ไม่ตั้งมั่มนรู้ทานจิตที่ส่ง อ, อกส่งไปทางตาเขารู้ทานนี่มันตั้งมั่นขึ้นเองแต่ตรงนี้ต้อระวังนิดนึงเขรู้ว่าส่งออกแล้วชอบไปดึงคืนมา นี่ผิดหงายหลังเลยไปเกิดโลภะขึ้นเยห่วงหวจิตสุสตวนั้นเนี่ยหวงไอ้จิตสัตวนนั้ไม่ใช่บวตัวดีนะเระจิตทุสนนั้นมันย่งีก่ออารมณ์พอมีสติแต่ชันยารู้ตัวขึ้นมามันเกิดปุสนและจิตแล้วแทนที่จะรู้ตัวอยู่ตรงนี้ถาไปดึงสัุนขึ้นไปเกิดโลภะครั้งใหม่ไปดึงอะไรก่อะไรกลับมาแน่นเอง โลภะจิตปัญหาเกิดก็ทุกข์เกิดเกิดแล้วล่ะไม่คอยรู้ทันตรงที่จิตไหลไปี่ลวงกู่ดูลบอกวนะ่ย่าส่งกิรออกอรมนอกระนั้นจะทําให้เกิดสำเร็จชัญญับถ้าส่งออกนอกก็ไหลไปไหลไปก็หลงอารมณ์หลงอารมณก็คือไม่รู้ตัวรู้แต่อารมณรู้แต่อารมณ์มันก็คล้ายๆ ค, ย ค, ยคนนี้จะโจร ต, ตกลงไป็นแ ม, ม, ม่น้ำนะ ถูกนั้ำทับไปแล้วยังมีหน้าบ่อกอีกเห็นเห็นนี่เห็นเกิดดับแล้วว่จะดับหรือแล้วยังไม่รู้เรื่องจะโดดลงน้ำไปแล้วแต่ที่จะยืนอยู่บนฝั่งมือสบายเอาอย่างของวนะิ่งเนาะวิ่งกำแทงแกล้งตีขีก น, นี้เหมือน น, นั่งบนกำแพงพอข้าศึ ก, กยกมาแล้วก็โดดลงจากกำแพงชกรับ มัอยู่ในบังเกอร์เองนะเห็นเขาเดินมาทิ้งบังเกอร์ไปได้อยู่กัเขามันโง่ไหมล่ะเวลาปฏิบัตินี้จะต้องเห็นรายเอียลงไปที่ทุกคนนะครับไปเทุกคนอรจก็่มเป็นหนึ่งอคนนะครับบ่อนะเดยวามใหม่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้เกิดตัวสำเร็จกิจตัวสัมมาสมิที่เรียกว่าสมถะอย่างนี้เป็นอ่านเน่นเนี่ยคือวิธีหลักๆที่พระเจ้าสอนเรื่อง เรื่องทางสีทางสีนี้หลวงพ่อเขียนไว้เยอะไปอ่านเอาดีทางสีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางสีของพวกยิงยูพวกกลางที่เราเรียนการนี้เป็นทางสีของพวกยินดูเข่งเข่งเข่งลงไปให้เติมอกนิมิตไว้กําหนิดลมไปเรื่อยๆนะต้องมีปฏิภาคนิมิตเนี่ยนิมิตลมก่อนไม่ใช่ไปรู้ลมนะต้องมีนิมิตก่อนจิตถึงจะเป็นสมาธิ ได้ปฏิภาคนิมิตผูล้ลงทํสาสมถะถ้าจะจำฌานนะต้องได้ปฏิภาคเขาปฏิภาพเป็นอารมณ์ไม่ใช่เอาเอาตัวรูปไปทำนามธรรมแท้ๆจิตอารมณ์หาใจมาเป็นอารมณ์ไม่ใช่นี่มีอีกวิธีหนึ่งก็คืออย่างถ้าเราหายใจใส่จิตเราแล้วมีสติแล้วรู้ลมหายใจจิตเอาลมหายใจยกอาลมหายใจมาเป็นอารมณ์ม่จตุถึงลมหายใจ จิตก็เข้าเครียรอยู่อารมณ์โดยไม่ได้บังคับเรื่องตัววิจารจิเป็นเข้าเครียร์กับอารมณ์โดยไม่บังคับเรื่องปีติสุขมันจะเกิดขึ้นปีติสุขอนี้เกิดแต่พิมพ์เกิดแต่การสารวมกายกสำรวมใจของเราให้มันอยู่ในอารมณ์อัเดียวนี้เพราะจิตมันอยู่ในอารมณ์ัเดียวแน่นๆมีปีติสุขขึ้นมานะสลัะมิตกิจาร์กินแตไม่ต้องไปไม่ถึงลมนะให้มีสติแล้วรู้ อิจิตอิจิตมันเปนรมณ์ที่หวือหวาจะรู้ได้ก่อนสุข้าเรารู้อิจิตอยู่จะเห็นว่าอิจิตถูกรู้พออิจิถูกรู้ตั๊เอกุที่พาว่าหรือทำเอกหรือจิตที่เป็นตัวผู้รู้นี่จะขุดขึ้นมามันจึงมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมาพมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมานั้นจะเห็นจิจิตดับไปปิดการู้ความสุขความถูก ด, ดับไปแต่ตรงนี้ท่านใช้คําว่าสมาธิ จิตจะรู้ปีติ ม, มีความสุขนะแล้วก็เกิดความสุขเกิดแต่สมาธิไม่ใช่เกิดแต่วิเวกวิเวกทีแรกมันหลบเข้ามามันจับอารมณ์แม่ดิวกับวิเวกแต่ว่าเกิดจากสมาธิจิตที่ตั้งมั่นถึอองอีกหนึ่งทิพวะพอปี่ิดับสุกดับไปจิตก็เป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งเสมอกันนะภูเบกขากองเบกขา เหมือนเงี้ยเกี่ยทุกสิทุกอย่างเป็นละพ อ, อยออกจากสภาวานะนั้นหน้าตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดมีสติไปเลยผู้รู้เนี่ยส่งอย่างเงี้ยอย่างอย่างครูบาอาจารย์มัสการสอนให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมาทีานี้เขาพูดแต่ไม่ได้จิตผู้รู้แต่มัสการไม่ใช่ได้ยินแล้วนะพูดแต่ว่าให้นั่งนันนัให้เกิดสนสนให้คิดถึงกายเยอะเยอะ แต่สไมัยสปัตการถึงเน้นที่ตัวจิผู้รู้อมีจิผู้รู้แล้ว wow. ถึงจะเอาไปเจริญสติเจริญปัญญาต่อมีสายหนึ่ง้วเป็นสายเลยเมื่อมันตามที่ตรงน้าบอกว่าในเวลาปฏิบัติแล้วก็ติจดจอารมณ์ได้ดังนั้นผมก็สังเกตแล้วว่าอารมณ์ต้องมีนิึ่งอย่างหมายถึงไรปฏิบัติใจฟัง่อย่างมากขึ้นกเป็นตเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไปจำเยอะๆหรอกเลย แค่จำได้ว่าตอนนี้นั่งอยู่แนละ้วนั่ ง, งรูปนั่งเป็นอย่างนี้รูปยืนรู ป, รปเดินเป็นอย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างนี้เอาวันเดียวก็พอครับแต่จําแม่นแน่ย้ใหม่ยถึงความอารมณ์ปากตดก็สติปากตดพูดก็ขึ้นมาเลยแต่ว่าเมื่อเราฝึกอบรมมากเข้ามาเข้ า, า, เ, ขาเราก็จะรู้จักอารมณ์ที่หลากหลายเแต่ถาว่าอารมณ์ที่หลากหลายจะเป็นไม่จะเป็นเพราะว่าจิตไม่รู้อารามณ์ได้อย่างเดียว รู้ได้ทีละ อ, อย่างถ้าเราจิตไปรู้รูป ย, ยืนในนั้นมาเขาไม่มีจิตไปรู้อะไรอีกแล้วยังไม่จําเป็นว่าต้องรู้อารมณ์แสนโกรธอย่างหรือทีงนี่นแปกหวานนี่ให้ต้องจับหลักให้ดีนะเราฝึกเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเรียนเรื่องอารมณ์นะเราฝึกเพื่อให้มีสติรรสัมปชัญญะทําไมต้องมีสติรรสัมปชัญญะเพื่อจะได้เห็นสภาพธรมมธ ร, รมะตามความเป็นจริง ความมีสติทำเป็นสัญญาขึ้นมายใจไม่ไหลในไม่ถูกกิเลสครอบงำสิ่งที่ปรากฏใจก็สั้นมั่นอยู่แล้วก็จะเด็นสภาพธรรมทั้งหลายเนะี่ยผันแปแต่สิ่งที่มายั่วจิตให้กระโดดเข้าไปนั่แจะเกิดกระสับตัวจิตเองถ้าไม่โง่เยก็ไม่ถลัข้าไม่อกาะถ้าไม่ถลันก็จอดทุกข์ไม่เกิดในเนะื้าริยาสัตว์ทําลายแรงปรางทั้งเลยตัวที่ไปแตกหักจริง คือทำ ล, ำลายแรงจึงดูดทำลายแรงสักปฏิบัติ้บบเ า, าเข้าว่ า, าเข้าประจิตไม่ดุงแต่งเนี่จะพบว่าธรรมะข้างนอกกับธรรมะข้างในเท่าเทียมกันพวกเราสังเกตไหมว่าธรรมะข้างในหนักกว่าโลางนอกโลกธ า, าตาาไาไไุไม่มีน้ำหนักภูเขาต้นไม้ทุกสิ่งผู้ใหญ่ที่เห็นล่างๆไม่มีอะไรที่มีน้ำหนักในใจเราหนักกว่าข้างนอกหน่อยนึงรู้ออกไหมมันคล้ยๆเสียบฝ า, า, าอีกหนึ่น มันความหนาแ่นมันไม่เท่ากันแรงดันมันไม่เท่ากันวิ่งก้าหน้ากันเะนใหขนาดนั้นนั่นเท่ากันยิตแล้วไฟนี่โง่เลยเนี่ยถามหน่อยกระป๋องกัโต๊ะอันไหนหนักกว่ากันกระป๋องนี้กัโต๊นี้อันไหนหนักหดอยากตอบแบบรัสญาต้องตอบแบบปัญญาแท้ๆตอนนหนักเท่ากัน วันนี้กระเปหนักกว่ามันหนักที่ใจอราถ้าเมื่อไหร่ึงเท่ากันมึนก็ไม่ส่งไปัเกตให้ดีพี่มันหนักขึ้นมาก็มันแอบยึดเห็นตาวนันนี้อ้โหหนักหนักใหญ่ก็ปันหาจะหลีทีเดินซะ <c oughs> เดิน นะครับเลาเนี่เราไปเดินซะแล้วเป็นยังไงเราดีใจนะแล้วแต่ว่าเราพวกทหารกระดุกเนี่ยถ้าเป็นแรจานเบิเใบหวันไปด้วยเนี่ยจะด้วยจะไปช่วยกันอะไรก็คิดกันเจริญสืบถี่ไม่ได้แต่ห้ังหลังมือนกับ บางทีลึกในมุมกลับกันน่าจะปฏิบัตินี้จะเริ่มปฏิบัติมล้วไงจะเริ่มไม่ได้มันยัมันไม่ยอมจิ้งทำไมมันื้อดีแล้วมันไม่จิ้งก็ดีแะ้้จิงอะมันวิจารว่ามันเริ่มปฏิบัติแล้วมันเสร็จมุลามันแอบไปปฏิบัติไปปฏิบัติตางที่หนึ่อเรารู้ไม่ทันแล้วที่รู้ให้ทันรู้กายรู้ใจใครเพืมมีสติเพื่อสัญญาเพราะนั้นอะ พอเรามีสติมากเข้ามากเข้าแล้วก็จะเป็นเกิดเห็นอะไรอย่างหนึง่งถ้าอยากปฏิบัติเอาสติที่เข้าไปรู้ว่ารมทุกข์ก็เกิดถ้าอยากปฏิบัติทุกเรื่องเกิดเลยอย่าว่าใต่หลงโลกเลยนะอยากได้สาวเกิดทุกเกิดแน่แน่เลยได้มนแล้วเมื่อไหร่จะทิ้งมันได้ทุกข์ก็เกิด <laughs> มันทุกข์ต้งแต่เพามันอยากทิงทุกข์ทิง ไปอยากได้อีกคนคนนี้ไม่เอ า, นะลอเาแล้วหัวเราะเขาเล่าเดาหรือเปล่าเอาเอพวกเดียวกันแหละอยู่ด้วยกันได้พระพุทธเจ้าสอนบอกคนมันลงกันที่ทาคยัไงไม่จบมากแค่คุย แม่เผลอหมดอหงื่เลี่ยงหนึ่งยกเว้นสองเราไปนั่งที่จัจาเราเผลออีกแดงะนเรืองเผลีกแดงเผอแบบผู้มีคุณธรรมช่นี้ช่วงหัของเราเดี๋ยลองใช้ดีๆดูเกาแปลว่าตอนนั้นมีคามรู้สึกเป็นตัวเราเองมา แล้ว่อ <AM EL ES> ้คามเเราที่มเยหายตอเสียดตัวแบบน้มันแตกตัวยังไงเป็นคนยังไงคือเราแต่ส่ั้ก็แก้แก้การที่มันจะอยากเปลี่ยนผอยากอปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ต้องต้องปฏิบัติขาดเลยไไ้ทา่เลยอยู่ในห้องเมื่ัวานมาลองดูก็ยังใช้ได้อืูแล้วเห็นตัวเราที่โตโตไหย ไอ้คนเก่งเตัวตัวเรายิ่งใหญ่ชาบ้านค็ตัวไม่เลิกตัวไม่ได้เก่งในทุกอย่างเลยนะแต่ประสบการณ์สเร็จสูงนี่ยเขามีเมื่อไหร่พวกนี้แบบมันพรจะโดนเข้ามาโจมตีเป็นการเก่ของพุกคนเดียวซึ่งกรลีงตัวร้างนี่ครับแต่หลบรอบอกเนี่ยพวกตีไปไม่ดีนะตีไม่ดีจะตีไม่ดีตัวร้ายนี่ ผต้องมึงอัดเยเป็นต่าดาว่าววนจะเกินอืมวัววนนี้แบบพอบวชแล้วก็ท้องที่ท่านบอโอเคเสียงกันว่าไม่มีพันาวะอะไรที่จะองบรูลุึงที่ต้องไปเลยที่ต้องบรดูุถึงไม่ใช่ ไม่ใช่นั่ น, นเปนนนนน็นปลายาทางที่จริงแล้วก็คือท่านต้องการบอกเราว่าปฏิบัติแค่ปลายไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปอย่างเรารู้สึกว่าเรามีอกากขาตัวตนเราต้องปฏิบัติชรักะละอากาักขาตัวตนเรามีนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายองชีวิตเราจะต้องไปให้ถึงนิพพานถ้าไปอยู่กับ น, นิพพานได้เราจะมีความสุข แต่ว่าเมื่อเวริญสติขึ้นมาพอมันไม่มีเรานิพพานมีแต่ไม่มีผู้บรรลุทุกมีแต่ไม่มีทุกข์ความอยากมีแต่ไม่มีผู้อยากนิพพานมีแต่ไม่มีผู้บรรลุทางมีแต่ไม่มีผู้เดินทั้งนั้นมันไม่ใช่ว่าตอนนี้มีอัตตาตัวตนปฏิบัติแล้วจะไม่มีไม่ใช่ ตอนนี้ก็ไม่เหมียนตาตัวตนความโลภตัางหากพาให้เราปรุงาตาตัวตนขึ้นมาเป็นกลาบกลาบตาตัวตนของนักปฏิบัติมันเกิดตอนไหนรนะู้ไหมตนคิดคิดเกี่ยวกับปฏิบัติอยากปฏิบัติเพราะละครแก้งอ่ะได้เวลาปฏิบัติแล้วเริ่มทำเรื่สัมรวมกายสัมรวมใจ <c oughs> เกิดปูผู้ปฏิบัติขึ้นมากแล้ว ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้ก็ใส่เกินก็ไป็นส่นวนสวยสดงดงามนะใหญ่หนักเมื่อก่อนนี้ที่คุณเคยถามบอกว่าเนี่ยก็เพื่อนก็อยู่ธรรมกายนิพพานึงต้องมีต้องเป็นหน้าตาเพราะงั้นจะมีใส่เป็นรูปถิ่งะ่ะบอกโอ้ทั้งเถอะก็จะว่างเลย เาไม่รู้จักตั้งนิทาไม่รู้จักตั้งอัตต า, างไงเสอเปนไหนของดีนะหนูีดแกตเตอรีขึ้นของคือความอาหารการลดล้นห <laughs> น้าอาหารการกนเลิศนะที่หนึ่งประเทศไทยท สวัสจุลาและคุณวเรียนลังกฤษแถมตอนนี้เป็นอาจารย์ชินวัตรมหาวิทยาลัยดังมันก็สมควรที่กี่เหรียใหญ่แต่มันเหนื่อยนะไอะ้ตอนริงแชมป์ยังสนุกนะตอนรักสาแชมป์นี้เหนื่อยอย่างเดียวเลย ตอนกินแซ่มันยังมันมีอะไรที่จะได้มามันลุยไปลุยไปเหนื่อยก็ริงแต่ว่ามันมีความหวังตอนรักษาแซ่บไม่มีความหวังแล้วยังไงวันหนึ่งก็แพ้นึกเหนื่อยลุกเดียวแล้วตอเดกสาคตัวตนมตอนจะยืดก็สร้าสรงรางสร้มันเป็นโกเป็นชาต ตอนหาขึ้นไม่เรียบมีสนุกบ้างคนรู้ว่าขารลงสลักาแล้วไม่ซุกมวยหลงไปแล้วไปดูครับเราหลงเองไม่ชอบจับผิดเพื่อนพี่รองน้าบอกหนูว่าที่ของหนูไม่ทันเลยครัหนีไปคิดเอา รู้เรื่องที่คิดนี่ยแต่ลืมตัวเองกายเวทนาจิตทาหายหมดเลยเลยแต่เรื่องที่เราคิดเอาเรียถามเรื่องความคิดคือวันนึงเปิดไอวีดีโอไอวีซีดีดูรั้นทำให้เราปวดตาจิตตกเลยื่อยหยาบก็มื่องหายเลยแล้วเคยคิธเอาเอ๊ยสุนเพลย์ไหเน่ยก็ลงมองไ ที world, like world, rock, down, <You> ่เข้าดึงแม่เกิดความทุ่มมาพิเศมากเอาพิเเราจะยิิ่งอกเองแล้วก็เป็นความคิะแต่ว่าองจิงดิตัเวายราก็บอกไอ้นี่เขาคิดจะโซนไดเป็นอเรื่องหนึ่งแบบนี้ก็ถ้ามองมันสงสัเลที่าทำที่เวาได้คิดน่าเป็นโซนหนอกแต่ว่าเวลาเราไปเกาะมันมันก็จริงจังอย่างบางตำนักเขาจะให้ดู เเรียกว่าอะไรนะจิตต้นต้นจิตตัวเนี้ยจิตมันสั่งก่อนแล้วกายมันค่อยทำงานแต่ตอนนั้นถ้าจิตคุณเลิกรวมไปจิตสั่งแล้วกายมันไม่ทำงานมันก็เลยรู้สึกทำอย่างว่าอย่างนี้จริงๆยังไม่ได้กระดิกีถ้ามันเป็นือตึงกันฟังเนี่ยไอ้่เขาชอบกันมันเหมือนเลยไอ้แต่แคร์กาวนี่แตเกินแล้ยนั่งมองอจิตมันโดนตัวใมันสูงได้ หลวงสร้างน้ำขึ้นประมาณห้าวิสิทธิแล้วเราก็เลยสร้างตาขนติยไปตามภาพยิ่งสร้างเร็วเร็วละเอียดที่สุดอย่างหลวงมันตัดสินใจว่าลุขึ้นยืนนั่งนานแล้วพอลุกขึ้นยืนเนี่ยมันสั่งร่างกายเริ่มเคลื่อยไหวมือเคยจับเลยละเอียดขึ้นไปพอจิตรวมอยู่นีมันสั่งกายึ้นได้ ทำอะไรกันเฮ้ยแต่ยังไม่ได้ชงมาเลยเลาฮ่าฮ่าฮ่าการคิดมังก็เหมือนความฝันนะคุณก็ความฝันมันก็คือความคิดตอนที่หลับอยู่ความคิดมันก็คือความฝันตอนที่ตื่นอยู่ มันก็เหมือนกันเลยก็มีคิดวาา่ามันแค่รู่งเง้มันมีหน้าที่คิดอ่งเียไม่ได้มีหน้าที่จะห้ามเลยนาะก็ทำอะไรกันอีกแล้วหืมแง่ไปหาหลวงพตรีท่านไม่สอนอย่างนี้มันท่านบอกไปเลย ล้ <c oughs> มีพระที่จำพรรษากับท่านออกออกพรรษาแล้วมาตรงนี้มากันมสองโมงไม่เจอใช้ก็ไปอีกวันหนึ่งกลับมาหนึ่งโมงโมงนี้แยกไปแล้วท่านก็มาเล่าให้ฟังว่ามีพวกเด็กเห็เนี่ย บอกหลวงพ่อมรีบอกหลวงพ่อประมวดสอนว่าไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องเดินจงกลมหลวงพ่อมนรีรเรียกประชุมซะแล้วทำไมท่านสอนอย่างนั้นไม่เข้าใจครับบอกว่าท่านไม่เคยสอนอย่างงั้นหรอกผมเข้ามาเรียนถึงท่านท่านบอกว่าต้องมีสติยืนเดินนั่งนอนนี่นต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่มีสติตอนเดินจูงกลมแล้วบอกว่าเวลาปฏิบัติอย่าอยากอยา่ารู้ไปเลยอย่าตั้งค่าปฏิบัติน้อยนมันไปแปลว่าไม่ต้องปฏิบัติไมต้องปฏิบัติที่ต้องเดินจุงกลมกินๆ น, น, นอนๆไปไนปะ้วแล้วก็บรรลุเป็นทำให้ครูบอาจารย์ต่างก้อ แค่ไหนขยับมือรู้ตัวไหมรู้ไปรู้สึกไว้นะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวบานพอคิดว่าปฏิบัตรจะมันพาก่อนแต่บางทีมันเหมือนกับมันไม่รู้ว่านี่คืออะไรก็เลยรู้ว่ารู้เหมือนจะรู้แต่แต่ก็ไม่รู้ปูเพราะมันยังไม่ทันรู้ว่านั่นคืออะไรไม่เป็นไรเราก็ถือว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมา ทำจริงอะไรไมต้องแปกอถามนะในสื่อผมอ่านขึ้นท่านให้ไปเ่ยน้กปู่สุวรรณตอนพาท้ายเขาอ่านมางงงงงงก็ไม่เหมืนสาย่านที่เียร่นะท่นท่าาทนยกคำถามมาท้านินามทนถามแตกไปแล้วหนึ่คนเลย ผมอ่านากจะจำามนีแต่บางที่ที่กไหตามดังโเพเลยนัามอันนี้่ก็ปาอนี้ตามเเลยเน้้นย่บเลยัะปหาบรั่ื้อไียรัะอน้แล้วก็หลงกที่น่าไเลยเขาะสรจยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คือท่านท่านสงสัยเลยบอกว่าให้สัญญากับสังขารมันดูแต่งจิต สังขารนี่รู้จักแจ่งแจ้งนะเห็นเกิดดับแล้วสัญญานี้มันดับตรงไหนอท่านสงสัยขึ้นมาท่านก็เลยไปนั่งดูไม่ได้เป็นนั่งคิดนะเห็นนั่งดูสัญญาเราดูสัญญาสัญญาดับแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุเลยนค่นค้ากเงินเขียนโทรเรื่อบัรค่าสินค้า เอไม่ใช่ละม้ามลราชมีเหรอโอเคแล้วแล้วพวกทง่วัดเลื่อนเลื่อนสีจำยาหน้ามันครับคอรที่หอมบงที่ให้ตอนนั้นทีไปงานสมานอ๋อพวกพระตั้นเชิดแต่ไม่ใช่ที่แหสมานเชิดพกระที่ปรากเพราะว่าที่ท่านเล่าให้ฟังให้ก็ไม่ได้เล่าอย่างนั้นนี่ทำมากเนี่ยมันทรงจำลำบาน ครูบาอจารย์เล่าไว้อย่างนี้ก็จำไว้ออย่างยังไปหาท่านแต่ลักษตาแล้วจะบอกวะไม่ต้องทำอะไรนะพวกนี้อฟอกฝังนี้เขไปบอกขลงอมลตรี <c oughs> ว่าไม่ต้องทำอะไรมันอยู่ที่ใจเนอะใจมันถอดถอนเข้มไปมวาง เวลาก็ไม่ต้องไปช่วยมันวางให้มันวางมันเนองอย่างนี้นที่คอรู้ทันตรงที่มันไม่วางธรรมะเวลาเรียนเนี่ยเรียนมาตรงๆแล้วก็มาเก็บเขียนต้อเรียนสับขั้นอลยอยากดูว่าสติเป็นยังไงก็ไปสนใจสติเป็นยังไงเอาว่าเผิดเป็นยังไงดีกว่าเกิด <c oughs> เรารู้เกิดเรารู้ไปมันต้องมีสติขึ้นมา อยากให้จิตตั้งมั่นไม่ต้องไปทําให้มันตั้งมั่นรู้ตรงที่มันไม่ตั้งมั่นมันก็ตั้งมันเองนะครัเรื่อของผมเนี่ยคือสมมุติว่ารู้ไปทักนิดหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นวเอ๊ะนี่เปนปฏิบัติอยู่ทเท่าน <c oughs> ันปฏิบัติก็เพือดีกว่าไม่ปฏิบัติมันยังไม่ใช่ขั้นที่จะปล่อยวางการปฏิบัต <c oughs> <c oughs> ินะขั้นนี้ต้องปฏิบัติเลยก่อนเอย่าเพิ่งไปทิ้งเรือ อันนี้เจริญสติไปเดริญงกรมนั่งสมาี่อะไรทำไปแต่อย่าไปนั่งวักแง้งกแง้งนะนั่งเคลิมเคลิ้มเงี้ยเอาได้รู้สึกสัวเค้มเคลิ้มเรื่อยเรยเคลมเคลมไปเรเรื่อลุกขึ้นเดินเดินเดินมากเคลิมมอีกนะมีร้ำมาเล่าบวชมาทรงข้อวมูตรีท่านเดินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเครื่อตกอางลงกรมเลย พอเพิม่มได้ที่ท่าน่อกสปอร์ไลท์มาสองเราไม่มีใครไปอยู่กับท่านนะ้วปีใหม่นี้จะใครจะบุญจะวา่ากันไม่ขออยู่กับท่านอ่ะเนี่หนึ่งครึ่งลูกมาเดิน เดือในเช้ากิน้าวสี่ชั่วโมงเลยยังนม่ถึงเลี่ชั่วโมงถึงสี่หนึ่งครึ่งที่เหลือปฏิบัติขอราแล้วก็โดยสภาวะของจิตถ้าเปเดินอย่างนั้นนะถึงเวลานอนไม่นอนหรอกจิตไปสว่างจ้าอยู่เฉยๆเลยไปพักด้วยในสมาธิแค่้นแค่นั้นพอผมควจะเป็นยังไงบ้างนะเราสื่อว่าท่านจะให้อยู่เลย ถ้ากไม่ให้อยู่ว่าต้องพิจารณาตนเองรู้สึกเป็นของใจ <c oughs> อะไรก็ดีแล้ว่ะนะไปบุญแจวไปอะไรมันสบายที่นั้นไม่มีภาระต้องทาวัดใหก่ๆอื่นเนี่ยภาระยเยอะเหนื่ยว่ยวากดบนเหนื่อยง้อเหนื่ยนี้ เอาไปลอยไปแล้วเราก็เอาท่างเออทำเงินรวยใหเพื่อนผมไปลอยเมื่อกี้ผมเลยเหรอเราะว่าเ่กผมกเห็นเพี่อนินตัวพอเพื่อนผก็เห็นแล้วตัวเองันยิ่งงียยิ่งยิ่ง่แล้วแล้วก็เลยยอนไปยิ่งบเามันเ่แนตัวใหัี ต<ข>อนที่า ย, ายอย่างนี้ียย่ไปเขาเาปากไปตอนนี้ก็ติดเเลย้ว้วีนีนนบบมากฝ่าวิธามครัอย่ า, ยาอย่าเดิปัญญาเยอะไปนะค่อยๆใส่ใจสบายๆดูตัวสภาวะอย่าไปคิดนำเยอะคิดนิดเดียวอย่าคิดเดยอะคิดเดยอะแราจะแต่กายเป็นฟุ้ง<ม>เคยอ่านหนังสือเรื่องพ่อแม่ครูอาจารนีเย มันเป็นธรรมะของหลวงตาที่ท่านเล่าเ่อท่านปฏิบัติแตกหักบนดอยธรรมเจดีการแจกแจงสภาวธรรมน้าฟังแต่ท่านบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยนะไม่ส่งออกจิตไม่ส่งสายไปไหนเลยจิตหยุดไม่ส่งสายสติไม่ทำงานคือไม่กำหนดอะไรเลยอต่างขเราตเจีรติเมื่อเรเริ่มปฏิบัติเราต้องกำหนดแล้วไงต้องจี้าไปดูอะไรที่ใหา่ จิตไม่รู้อะไรเลยไม่กําหนดอะไรแต่รู้ตัวอยู่จิตไม่สงสัยสติไม่ไมกําหนดปัญญาไม่ทํางานไม่ค้นคว้าพิจารณานะเพราะว่าพอ ถ, ถึงขั้นละเอียด น, นี่นะในการค้นคว้าพิจารณาไม่ใช่ปัญญาหรอกของคืออุทัจษะไอ้ที่นอกอะไรนอะกพิจารณาหรอกปัญญายุคแรกๆอนุโลมนี่ปัญญาจะ ก, ก, ก, ก่อนหลอกหลิ <laughs> เราปฏิบัติมากเข้ามาเข้านั่นแหละคือชักจับตัวดีเลยตัวหลอกให้พิจรารณาล้นพิจารณานี่อันนี้ที่เล่าให้ฟังนีืก็จะรู้ว่าสิตที่เราจะดําเดินไปนั่นจะไปสู่จิดนี้สิตที่ไม่ส่งไปคําว่าไม่ส่งไปเนี่ยไม่ส่งสายไปเนี่ยไม่ส่งข้างนอกไม่ส่งเข้าข้างในเนี่ย ไม่ใช่ไม่ส่งนอกแล้วเอามานพะไว้ข้างไหนนะงั้ส่งนอกก็ต้องรู้ทันส่งในก็ต้องรู้ทันเในที่สุดจิตก็หยุดไม่ส่งไปส่งมาหยุดอยู่ที่ความเป็นกลางนิดหนึ่งจิตหยุดอยู่กับความเป็นกลางไม่ส่งไปสติไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาดูอีกละเป็นเป็นภาระป<ม>ัญญามันเฉียบแหลมสึงขนารู้ว่าถ้าเอาสติไปเที่ยวกาหนดในทุกข์ก็จะเกิด แม้ว่าตรงนี้ที่อาจารย์ถาเขียนว่าเป็นทางเดินของพระรหันถ้าเอายาเอาสติวิเที่ยวกํำหนดอะไรต่ออะไรนี้ทุกข์ก็เกิดอีกภพชาติเกิดขึ้นอีกน้นที่หลวงตาพูดบอกว่าสติไม่กำหนดโองการสถาร์เท็เลยปัญญาไม่ทำงานไม่ค้นคว้าพิจารณาเยอะเหมือนคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นมันสักว่าจริงๆแล้ว บอกว่าพอจิตทรงอยู่ในภาวะนี้นะเกี่ยงพอแล้วความหลุดพ้นเริ่เกิดขึ้นเวลาปฏิบัติเรารู้น้ว่าเราจะดาเนินไปถึงปลายทางตรงนี้ที่อัจฉริยะสอนดีอย่างบอกว่าสติเป็นกำหนดรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ปัญหาคือความอยากในกาปฏิบัติเนี่ยที่ทําให้เอาสติใป็นกาหนดลมหายใจคือสมุทัย ทุกๆหมวดทุกๆบับนี้สรุปอย่างนี้หมดเลยแล้วท่านจะสอนบอกว่าสติปัจจานสีทั้งหมดเนี่ยทำมาเพื่อมาลงตรงนี้มาลงที่อริยสัจตรงนี้ตรงที่ตัวสติเป็นทุกข์นี่ยพอเห็นว่าตัวสติเป็นทุกข์เนี่ยสติจะไม่ส่งสายไ ป, ไปทํางานอีกแล้วไม่มกําหนดเลยภาวะแห่งอเบกขาตามโคดชงนี่ยเป็นดังนั้ๆๆนอย่างถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรไปเพื่ออะไร ความรู้ค้นเป็นเกิดจากสภาวะของจิตของสติสมาธิอของปัญญาตรงนี้ตัวจิตที่ทรงอยู่นั้นก็คือตัวสมาธิแหละไม่สรงสายไปไหนนะไม่สรงออกนี่คือจิตที่ทรงภูมิของธรรมะสมาธิเต็มที่เลยสติที่ไม่กําหนด อ, อะไรนั้นแหะคือทรงภูมิของสติเต็มที่เลยไม่กําหนด<ม>แค่รับรู้เท่สักว่าสักว่าไปป<ม>ัญญาไม้คนฟ้าที่จะอะไรนะ ที่เราจะต้องทำมาจนมันถึงตรงนี้เพราะงั้นอะไรที่สวนทางกับสิ่งเหล่านี้ต้องดูให้ดีนะคําสอนที่สวนทางกับสิ่งเหล่านี้เยอะมากเลยเป็นบ้านเป็นเมืองนะเป็นพระธรรมวินันจะเกิดเองในชะ่เกิดเองไม่ได้หรอกต้องฝึกออกต้องฝึกเ ก, กิดการรู้ทันมันไม่ใช่เกิดเองแล้วผมขอไปช้อปปิ้งแบบขอไปเลี้สาวก่อน <c oughs> แล้วมันจะเกิดเองมันเกิดแน่เลยเนี่ย <üyor> <ช camel t iles>ต้องสังเกตเอาใช้สติสัญญาระหนีดในการปฏิบัติ <c oughs> ไม่ใช่เชื่อตามๆลงไปน่ากลัวมากเลยมีธีปฏิบัติแบบตามๆลงไปเป็นบัวแล้วแต่บัวหน้าฝูงจะเดิน เจอหัวหน้าผูกเาลมัาก็ข้ามน้ำได้อไอ้ัวนี่ถึงขาไอ้ไอ้ัวนี่ต้องพูดให้เจ้าท่านเชียบแหละไอ้วัวหัวหน้าผูมันโง่ไอ้ลูกผูกมโง่ตามบีจมน้ำตายหมดสูงสติปัฏฐานมีหนึ่งควมีสติเป็นว้ชัญญะ แล้วก็ไปลงที่เดียวกันหมดเลยเป็นหนึ่งเหมือนกันไปดูนิพพานอาเดียวกันมันมีสี่โดยอารมณ์เครื่องรื่นของสติทําไมต้องมีสี่มีสี่นั้นจําแนกตามจริตปัญหาจริตก็จะไปรู้กายเวทนายึดจิจริตจะรู้จิตรู้ธรรมเนี่มันเหมาะปัญหาจริตที่รู้กายเวทนานี้ต้องทามสมาธิประกอบด้วย ถ้าดูจิตดูธรรมไปเลยเนี่ยไม่ต้องจเจริญสติสัมปชัญญะไปเลยพอทำไปแล้วเราไม่ได้ไปมุ่งที่จะเรียนรู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมเราปฏิบัติเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นพาสติที่ไปกำหนดรูปนามเวท น, นารมแล้นคือตรวทุกข์ความอยากจะปฏิบัติ ที่เอาสติไปเที่ยวกําหณนนะั่นคือตัวสมุไนไพรแล้วท่านก็สอนตอบบอกว่าความพ้นไปความไปปราศจากไม่ใชรักนะความพ้นไปจากทุกข์และสมุนไพรทำนิโรธการรู้ทุกข์ละสมุนไพยทํานิโรธเปนารมณ์เป็นอริยมรรคมันเป็นไปได้ยังไงรู้ทุกข์ด้วยละสมุนไพยทํานิโรธเป็นารมณ์มน เ, น, เ น, นีเน่ยเพราะธรรมดาจิตต้องมีอารมณ์อันเดียว จิตเนี่ยลมันเดียวคือจิตเห็นสภาวะของนิโรธแต่ว่าในขณะที่เห็นนิโรธตัวทุกข์นี่นก็อยู่ตรงนี้ทุกกระทมันก็อยู่ด้วยกันแต่ใจมันไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวมันไม่ใช่ว่าต้องไม่มี่าดุมีขันก่อนถึงจะพ้นทุกข์แล้วท่านสรุปตรงท้ายบอกว่า นี้เป็นทางเดินจากจิตภาพรหัสนี้ถ้าเราไม่ไม่รู้ว่าเราจะดำเนินไปสู่จุดที่เหลือแต่สภาวะรู้ที่ไม่สงสยัยโดยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กำหนดเราไ็จะเที่ยวทาไปเรื่อยๆด้วยความเชื่ อ, อว่าทำอย่างนี้แล้วจะดีไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรได้วยซ้ำนะ เราทําเพื่อว่าจะอาศัยต้นถ้าเราไม่ทําจงใจไปทําจิตเมันก็พารวมแต่งไปโดยเจ้าตัวไม่รู้เริ่มต้นก็เลยต้องทําเอาทําสติทำํทำตับปัญญาทำเอาทำจนกระทั่งรู้ความจริงเลยว่าไอ้สิ่งที่วิเศษที่สุดนี้เนี่ยก็ยังเป็นส่วนทุกนันหนึ่งไม่พูดถึงทุกอย่างอื่นที่ยากกวนะ่านั้น เพรานาดสติสํงงาปชัญญะยังเป็นทุกคนเลยไอ้ทินตัวนี้หลวงปูมัน่นก็สอ น, นเรื่องกิริยากับอักกิริยาท่านบอกว่าการดําเนินติตตามอริยศัจนีย์ยังเป็นกิริยาอเพราะมีจิตที่จะต้องทําทุกข์มีจิตต้องรู้สมุทย <c oughs> มีจิตต้องละทก่รอดมีจิตต้องทแก้มากมีจิตต้องเจริญ แต่ว่าเมื่อกิริยานี้เป็นที่บริบูรณ์เป็นหันกิริยาไม่ทําเพราะฉะนั้นตอนนี้ภูมิของเราไม่ใช่ภูมไม่ทำเนี่ยภูมิต้องทําผมไม่ต้องเดินโกลมได้ไหมไม่ได้ต้องเดินไม่งั้นภูมหลอกเนาะเอออะไรหลนขี้เกียจเลย เราเอาขี้เกียจมาแล้วเราก็อ้างอิงโอ้อาจารย์สอนเราไม่ต้องทำํำรู้ไปนิดเดียวได้ง่ายที่ไม่ได้ทําหมายถึงว่าอย่าไปนั่งปรุแปงแต่เลยหน้าที่ของเรารู้ทันความปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นเลาเดินจงกรมก็จะรู้ทันปิตใจแดงตัวเองมันปรุแปงแต่ก็รู้ทันเกิด อ, อะไรขึ้นมารู้ทันไปด้วย ไม่ใช่ไม่ทํคาคําว่าไม่ทําเนี่ยคืออย่าไปปรุงแต่งซะเอง<ม>ให้รู้ทันความรุงแต่งไปถ้าจะว่าทําก็คือทําการรู้<ม>การสติแบบก็มีเท่านี้มีสติทำให้สัญญะอยู่กับปัจจุบันรู้กายรู้ใจไนปะรู้กายไม่ได้ก็รู้ใจรู้ใจไม่ได้ก็รู้กายไนปะ ตัวสำคัญไม่ใช่อยู่ที่กายกัะใจในชีวิตประจำวันนะสมมตว่าเรารู้นุนาต้พเนจรอเอ๊ะเผอไปแล้วไหมแล้วก็น้องทำอะไรเลยค ร, รับก็รอเหลออีกแล้รู้อีกนะเผลอบ่อยๆนี่เผลอยาวนะ ม, นมีวิธีการที่จะทาให้รู้ได้บ่อยๆก็คือการทำสติปัฏฐาน อ า, าาอาจผ่านนานหนึ่งอจะรู้ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ทุกครั้งที่ยืนทุกครั้งที่เดินทุกครั้งที่นั่งทุกครั้งที่นอนเราจะรู้สึกตัวมันเหมือนกับว่าจริงๆตอนรู้ที่หลวอาเป็บอกว่ารู้ก็ห น, นึ่งคะแนนละผมก็ยามจะเบิ้ลกันต อ, อนที่สัญญากการรู้ยังเหลืออยู่ว่าไอ้ตัวทดสอบจบเป <laughs> ็นความเล้วมันอยากคําแล้วดคือค <laughs> นหลอกแล้วเลยแต่มันก็มีแครับ เอ๊ะน ouais> ี่แงกำลังอยากจะหาอยู่แล้วใครรู้ทนไปเนี้ยแค่เอ๊ะเองไม่ได้เรื่องะต้องหอออแค่นี้เแค่เอ๊ะหาตื่นเต้นไปเรื่อยเร่อยเรยเอ๊ะอ๊ะเอ๊ะกอย่างนั้นไปเอะไเรื่องพวกเขาาขอความรักใครเข้ามาล่ะ อ๋อลิบอลครั บ, รบออม่เข่าเล็กเลยผมจะแหวนหาตลอดไม่รูึดูอย่ไปหาข้างนอกครั บ, รบจริงๆก็รู้มันถูกนะครับแต่มันก็เหมือนเรบก็มีข้อแ้างตลอดครับเคียคาราว่าสเหมือย ก็รู้รู้ครัว่าจริงๆการซื yeah, anyway> ้อแพ็กเกจความทุกขนัชัดๆถ้าเป็นาเนี่ยก็แน่นอนมันได้ความสุขบางอย่างที่แต่ว่าซื้อพ็กเกเองด้วยครับเพราะต้องเจออะไรตงเหือแต่าจะหาซื้อี่ครับเป็นไงของอ่าไปทับมันนะอย่าบีเพรงมันยิ่งยบบเบรกกังวล เราเป็นอย่างที่เป็นนี้แหละต้องกังวลว่าใครจะมาดูว่าเราเป็นยังไงเป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละคือไม่ต้องไปทําอะไรขึ้นหมารู้สึกช้างมันในกว่างไม่ต้องทําอะไรอ้วไปทําอะไรล่ะไปบุญเยาวราชกันได้กันหมดไหม เมื่จจอดีจ ะ, ะไปสาราบูตน่นทั้งทีดีแล้วครูบาอาจารย์หายากที่หายากกว่าครูบาอาจารย์ก็ยังมีนะือคนที่ทาตามที่ครูบาอาจารย์บอกรายยากษ ไอพวกอมมิวน well, right ิสตีบศาสนี่เยอะเดี๋ยว่าเข้าวัดนี้เดี๋ยวว่าเข้าวัดโล้มีชวนพระทะลาะกันเนียโอ้โหเดี๋ยวเข้าไปบูญอย่างว่าเอ๊ะทำไมทางหัวขพ่อมนตรีอาจารตาพวดบอกให้ดูจิตเอาทำไมต้องดูการจิงกุ่ยาครับเหมนี้ในองนี้ก็ไปบอกทำไมองค์นั้นสอนอย่างนี้ แต่รวมกันแนละ้วในองค์นี้มันไม่ทำหรอกเรียถามไปเรื่อยๆ เ, <c oughs> เอาอะไรก็เอาชนะ่างนั่นเดินได้เช่นนั้นแนหะขอให้มันมีสติต่เป็ัญญาจริงๆแล้วนะครูบาอาจารย์ี่ไใครนานะเป็นสัพท์คนเดียวาเล่าให้ฟัง ที่ว่าอาจารย์สันให้พิจารณากายเพื่ออะไรนี้มันเป็นปุถุวัแต่แต่ว่าเพื่อคือนี่เจตนารมณ์ของพระปาจะเดินเนี่ยท่านพุทโธก่อพุทโธพุทโธให้คิดแต่คําว่าพุโธพุทโธเป็นความคิดนะพุทโธไปเรื่อยๆแล้เห็นว่าคําว่าพุทโธเนี่ยสุขรู้จิตมีผู้รู้พุทโธเนี่ยตั้งมั่นขึ้น นี่พอมีผู้รู้แล้วเนี่ยบางทีขี้เกียจชอบอยู่สบายรู้ตัวเฉยๆของเราสบายไม่อยากรู้จักโลกข้างนอกแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกคุณขี้เกียจขี้เกียจเอาความาจับเข้าไปที่ตัวรู้จับตัวรู้เปน็นสมถะนะเพราะฉันบางทีอาจารย์ตานถึงบอกเราว่าพวกเราเนี่มีแต่ทาสมถะที่ว่าดูจิตดูจิต เราไปเพ่งผูร้รู้เราไม่ใช่รู้จิตหรอกเราไปเพ่งจิตกัน<ม>เพ่งจิตก็เป็นสมถะนี่พอเพ่งจิตแล้วนิ่งนิ่งอยู่ผูบ า, าดใจเดยวมันนิ่งเกินไปติดขี้กเกียจมันบอกเอาออกมาข้างนอกออกมาคิดซะบ้างเอามากระทบ ก, กับโลกข้างนอกห น, นึ่งนี่คิดเรื่องไหนที่ปลอดภัยคิดเรื่องผู้หญิงก็สึกหมดเลยมาคิดเรื่องกายไปเป็นยาสุขาเป็นปฏิคุณไม่ต้คิดทั่วเละ ที่ตัวไม่ให้ขี้เกียจให้ออกมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตข้างนอกนิดเรียนรู้ว่าหมดเวลาเลิกคิดเรื่องนี้แล้วทางนี้จะเดินสติในชีวิตประจําวันตาการะทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดมีสตสิจำเป็นชันยะไห ม, ไไไหไมไหเข้าใจเข้าใจเหนื่อยเข้าคพักทำสมาธิทาสมาธินิ่งเกินขี้กเกียจอีกละขี้กเกียจออกมาคิดอีก ให้ก็ไล่ให้ทำหนิแต่โลพูเทศสอนเนะอะกอนนี้คัดเลยบอกว่าคิดพิจารณากายเป็นอสุภาพเป็นปฏิปูย้ยัเป็นสมถะคิดว่าร่างกายนี้จะต้องตายเราก็ตายเขาก็ตายมรณสติเป็นสมถะคิดว่านี้ไม่ใช่ร่างกายของเราหรอกเป็นฆาต ถ้าสีดินน้ำไฟลมเป็นสมนถะแบบใดที่เองใช้ความคิดอยู่เป็นสมนถะต่อเมื่อใดผู้ปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจตนเองถึงจะได้แกดสรรมกามงกัรปฏิบัติลงปู่เทศสอนอเข้าถึงจิตเป็นยังไงเข้าถึงจิตจะรู้ทันจิตซึ่งมันเคลื่อนไหวไปทํางานไปปรุงแต่งไปยึดถือไปรู้ทันมันไปได้เลย เรารู้ทันมันเลยก็หมดกริยาหมดอาการหมดการถูกแตะแล้วเข้ามาในจุดที่รู้เป็นธาตรู้เรียกว่าใจรู้ใช่เรียกว่าใจอีกตัวชาตรู้ที่ไม่ทําอะไรนะมันก็คือภาว่ะรู้ที่่าแท้จรมาหาม่วนแตกแยกภาวะรู้ที่จิตเนื้อไม่ส่งไปเป็นกลางแล้วส่งไปไหนแนละ้วไม่กําหนดรู้อะไรแนละ้วไม่ค้นว้าพิจาอะไรให้ปันน่นป่วนวุ่นวายเพิ่าอีก อย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อบอกว่าไม่ทำอะไรอีกนั้นคือตัวนี้ไี่กลัวจิดให้คุณนขึ้นมาอีกไม่กลันานให้คุณนอีกแต่ของเราทําทำแล้วยัะไม่ทำอะไระละเดินดูสาวทั้งวันเลยบอกไม่จำอะไรไม่ได้หรอกท่นเของกลับมาคอลมใส่ไหมนี่คันั้ย ทันจิตนะรวมในใจกนะ็แค่ของจุกรู้เรารู้อะไรแล้วก็เราก็รู้ทันจิตของเราไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัาผัสคำอารมนะแล้วก็มารู้ทันจิตพอ mm hmm. รู้ทันจิตในที่สุดจิตหมดพฤติกรรมหมดความรุงแต่งมนการสแสวงนะหาดนิยาของจิต เป็นแมเมันปรงแต่งมันแสวงหะเค้าหาดูอะไรีเควาหิงคือหายู่กระเจ้ากระจางหัวขายอยู่ไยมันในสุขภาพมันก็เลือกดีเราเผลอแล้วรู้ว่าเผลอก็พอละหรู้ว่าหาก็พอละวันเปสังคมครับตนนั้นปฏิบติจีมันจะเรียบลงมันประจบแตมา่ต่อนงไมปฏิบัติเหนัน ใส่เงียบต้องระวังนะเงียบสมถะก็มีเงียบแล้วซึมเหมือนเงียบแล้วต้องแอคทีฟนะไม่เงียบซึมปฏิบัติแล้วซึมซึไม่เดียวตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นแล้วึมแล้วแต่รู้สึกยังไม่แยกกับัผมไี่รู้มนคืออะไรมนไม่เป็นอะไรเลยนะไปถามหลวงข้อมณฑลจี๋ผมจะไปถามเขาท่านหนึ่งวันนี้ผมทำแล้วมันเงียบเงียบซึมซึมผมจะทายังไงดีผมไปเดินแต่ แต่จริงๆท่านอยู่ครูบาอาารที่เข้มงวดจริงๆเลพวกขี้เกียจนี่กลัวท่านไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่จะไปยักยกเหมือนกันหนีออบมาไม่อยู่ด้วยเราไม่เคยฉันสั่นก็สั่นดี หายยากเลยอะนะการฝันสังเกตให้พวกเรานั่งดูอะไรกันบางอย่างเราไม่ได้ดูจิตหรอกเราเอาจิตไปเที่ยวดูอะไรต่ออะไรแล้วเราก็บอกว่าเราดูจิตอยู่สัง mm hmm. เ, เกตให้ดีนะมันถลักไปข้างนอกตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆ มันหลงนะอย่งนะรู้ไม่ทันรู้ไม่ทันก็หลงลึกไป ล, ลึกก็ไปเงียบเลยพอถอย อ, าาออกมาไอ้นี่คิดอย่างนี้ได้ยินแล้วกูเก่งหนแล้วโอ้โหของหลับมันเยอะอเก่งบ่อยมากเดี๋วเราัะจิ้มดัดของเราไปนะสบาย ไปยุ่งกับอื่นอย่างนี้นองค์กรรมฐานยุ่งนิดเดียวชอบยุ่งเรื่องคนอืนน่นเลยยุ่งองค์นั้นเป็นอย่างนี้องค์นี้เป็นนี้องค์โน้นสลาองค์นี้ข้า <c oughs> ิงกเก๊เนแ ล, แล้วตัวเองกิ่งเปล่าเผื่ดูดีขีเยคน่นเ น, น <c oughs> ยสนใจเนะมีประโยชน์กับเรา เมื่อก่อนสองไปถามบอกว่าพวคนดาหลวงตายจะทำยังไงจะไปยุ่งไหยเฉยๆท่านไม่เดือดร้อนหรอกนี้อย่างเราไปโต้ไปเถียงแทนท่านนี้นะกี่ายมันยิ่งโมโหใหญ่เดี๋ยวมันยิ่งบากหนักเข้าไปอีกไปได้รลบเนะเดี๋ยวจะไปทั้งไกลเนี่ยตาละอูหลายชั่วโมง ไม่กลับเมื่อไหร่ ไม่ค้อยเกี่ยวกับการปฏิบัติอะไรคือผมอ่านหนังสือเสร็จแล้วพักเส็จสมัยก่อนทำไมชอบทาอะไรแบบนี้เหมือนแล้วแปลกแปล ก, กตกหน้าอาจารย์กันอะไรอย่างนี้างท่าก็กก ต, ต, กตกหน้านอาจอ่านแล้วก็ไม่ค่อยใจอย่ามาต บ, บ้านนี้เลยเรี้ยวเล